50 languages. 32 3 r t y t r e restaurant. c h r e a r n t h a m a n t French fries w i t m a t o a u c e One. e French fries with k e t และมายองเนสสองที่ और दो สองมิยอนนีสกับซอสและไส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่ औरती สามซาวซิจมัสตาร์ดกับซอสตีคุณมีผักอะไรบ้างคะคุณมีถั่วไหมคะ आपके पास ल ो ब ि य ล है คุณมีดอกกะหล่ำไหมคะคุณมีดอกกระหล่ำไหมคดอกกระหล่อกกระหล่ำไหีดหล่ำไหมคะี่ดอกกระอหล่มมกกรอกกคดี่อ่ก่มกีอค ฉันชอบทานมะเขือเทศแม่ทอมัตเตอร์ชอบซื้อตคุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมคะแก่อาพี๊ยส์บีชอบซื้อข้าเทหคุณชอบทานกะหล่ำปรีดองด้วยใช่ไหมคะแก่อาพโกบีบีชอบซื้อข้าเทหคุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมคะ क्या आप दाल भी शौक से खाते हैं? कुन शॉप थान कैरोल्ड द्वाई ची में क ् य ा तुम गाजर भी शौक से खाते हो? कुन शॉप थान ब्लॉक कोली द्वाई ची में का क्या तुम गोभी भी शौक से खाते हो? कुन शॉप थान प्लिक वान द्वाई ची में का क्या तुम मिर्चे भी शौक से खाते हो? ดิฉันไม่ชอบหัวหอมใหญ่มุจเจพิ้อส์พัสนไม่ใดิฉันไม่ชอบมะกอกมุจเจเจตูนพัส नहीं ใช่ดิฉันไม่ชอบเห็ดมุจเจขุมบีพัส नहीं ใช